สวัดสังวัตสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่จำพรรษาในกรุงสาวัตถี1 4 8สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่จำพรรษาในกรุงสาวัตถีแล้วไปถึงกรุงกบิลพัฒโดยลำดับ ด้วยกรณียกิจบางอย่างพวกเจ้าสกยะพูกกรองกรุงกบิลพัททรงสดับข่าวว่าพิกษุรูปหนึ่งอยู่จำพรรษาในกรุงสาวัตถีมาถึงกรุงกบิลพั์แล้วจึงเสด็จเข้าไปหาพิกษุนั้นถึงที่อยู่ทรงอภิวาทแล้วประทับนั่งหนะ้าที่สมควรได้ตรัสถามพิกษุนั้นดังนี้ว่า ท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคไม่มีพระโรคาพาธและมีพระพลนาไมแข็งแรงอยู่หรือภิกษุนั้นถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมหาบอพิธพระผู้มีพระภาคไม่มีพระโรคาพาธและมีพระพลนาไมแข็งแรงอยู่ท่านผู้เจริญ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไม่มีโรคาพาธและมีพลานามัยแข็งแรงอยู่หรือมหาบอพิษแม้พระสารีบ eh ุตรและพระโมคคัลลานะก็ไม่มีโรคาพาธและมีพลานามัยแข็งแรงอยู่ท่านผู้เจริญภิกษุสงฆ์ไม่มีโรคาพาธและมีพลานามัยแข็งแรงอยู่หรือมหาบ่อพิษ แม้ภิกษุสงฆ์ก็ไม่มีโรคาพาธและมีพลานามัยแข็งแรงอยู่ท่านผู้เจริญระหว่างพรรษานี้อะไรอะไรที่ท่านได้ฟังมาได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคมีอยู่หรือมหาบอพิษอาตมาภาพได้ฟังมาได้รับเรื่องนี้มาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพูดทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอัศวะเพราะอัศวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมีจำนวนน้อยที่แท้ภิกษุผู้เป็นโอปปาติกะจะปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกเพราะโอรัมพากิยะสังโยตห้าประการสิ้นไปมีจานวนมากกว่า อีกเรื่องหนึ่งที่อาตามาภาพได้ฟังมาได้รับมาเฉพาะพระภาคพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคียะสังโยชน้าประการสิ้นไปจากปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกมีจำนวนน้อยที่แท้ภิกษุผู้เป็นสักตาคามีเพราะสังโยชนสามประการสิ้นไป และเพราะบรนเทาราคาโทสะและโมหะให้เบาบางมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้มีจำนวนมากกว่าอีกเรื่องหนึ่งอาตมาภาพได้ฟังมาได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นสกทาคามี เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะบรรเทาราคะโทสะและโมหะให้เบาบางมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มีจำนว น, นน้อยกว่าที่แท้ภิกษุผู้เป็นโสดาบานันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า